จะนีร้องไว้วันนี้สงสัยจะอุ่นขึ้นมาละมั่งสมชายมันบอกข่าวแล้วบอกมันหนาวมันหนาวมาหลายวันแล้วมันหนาวมาหลายวันแล้วก็สมชายมันบอกคงจะอุ่นขึ้นแล้วทีน <c oughs> ี้อุตอุตุประจำวัด สมชายอุตุประจาวัชณีดำวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบมกราคมพุทธศักราชสองพหร้ห้าสบดในช่วงนี้พวกเราก็คงจะได้ยินข่าวของพระพระสงฆ์ หลายหลายแนวแต่ถึงยังไงพวกเราอย่าท้อใจ อ, อย่าไปตำหนิให้มองตอนเองเอาไว้เรื่องของใครของเราใครทำกรรมอันไหนไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมที่ตนได้กระทำไว้อย่าว่าอากตังทุ ก, กตังเส้ยโยปัจฉาตปติทุ ก, กตังกรรมชั่วความชั่ว อย่าทำเฉยดี ก, กว่าเมื่อทำแล้วกำชั่วให้ผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังที่พระพุทธเจ้าท่านยกไว้หลวงพ่อก็ยกมาเป็นแนวทางสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังโดยสม่าเสมอทางนี้ทางนั้นเตือนทั้งหลวงพ่อด้วยเตือนทั้งพวกเราทุกๆ ท, ท่านด้วย ระหว่าความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำลงไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่ี้เรื่องพระสงฆ์เรื่อเรื่องหลักพระธรรมวินัยที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินบางคนพอได้ยินเรื่องของพระแล้วก็น้อยอกน้อยใจทุกอทกทุกใจดูถูกมองไปหน้าเดียวไม่ได้มองตนเอง แต่ตามไม่จริงมันน่าจะมองย้อนก็มาหาตัวเองด้วย อ, อข้าพเจ้านะี่คิดดีตลอด24ชั่วโมงข้าพเจ้าทําดีตลอด24ชั่วโมงข้าพเจ้าพูดดีตลอด24ชั่วโมงไม่เคยมีความชั่วในตัวของข้าพเจ้าเลยรับรองได้ไหมถ้ารับรองไม่ได้จะไปตาหนิคนอื่นจนเกินไป เพราะนั้นต้องฝังเอาไว้แต่ทําความชั่วของอื่นเขาก็รับกรรมของเขากรรมชั่วของเขาเราไม่ควรจะไปแบกคนโบราณบอกเขาทําดีแล้วทาชั่วก็ตามเขาทําดีและทําชั่วก็ตามถ้าเขาเขาทําดีคาชั่ว เราจะไปสอดเข้าไปาเขาหาหมูกดโบราณเขาให้ทําพังเพยนะ เ, เขาหาหมูอย่าเอาไม้ไปสอดคนโบราณเขาสอนใคร้ายๆว่าเขากําลังได้ดีตัวเองอย่าไปสอดเขาอย่าเอาไม้ไปสอดเอแล้วก็พูดได้สองประเด็นเหมือนกันนะ เมื่อเขาทําดีอย่าเอาไม้ไปสอดใอรว่าเขาหามหมูอย่าเอาไม้ไปสอดใครกล้เาเลยทำท่าจะไปหามช่วยกับเขาด้วยลักษณะอย่างงั้นถ้าอีกมุมอีกมุมหนึ่งถ้าเขาไปขโมยหมูมาใชอไปขโมยหมูชาวบ้านมามันผิดกฎหมายใช่ไหมถ้าเราเอาไม้ไปสอดเราก็ผิดกฎหมายไปด้วยเหมือนกันใมันก็ได้ทั้งสองอย่างนะอถ้าเขาเป็นหมู ธรรมดาเนี่ยกัไม้ไปสอดเนี่ยเอออันนี้เสียมารยาทใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเขาขโมยหมูมาเราเอาไม้ไปสอดช่วยกับเขาด้วยนีเราก็ผิดกฎหมายเราติดคุกกับเขาไปอีกเหมือนกันฮะนี่แหละอันนี้เป็นสรุปแล้วก็คือเรื่องของเขาเราต้องมองเราเขาเรื่องของเขาถ้าเราจะพิจารณาดูในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา อย่างหลักพระธรรมวินัยเนี่ยพรมาทำวินัยของพระพุทธเจ้านะ่ยพระวินัยเนะี่ยคือกฎระเบียบที่ห้ามพภิกษุธรรมความผิดพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยในศินพระปฏิโมกเนะี่ยวันนี้แหละจะสวดแหละวันนี้เป็นวันอุโบสถของพระเลยนะวันนี้ตอนเที่ยงนะพระสงฆ์ทั้งหลายในะวัดเราอย่าลืมตอนเที่ยงแล้วก็ลงอุโบสถละวันเนี้เมื่อวานเนะี่ยเป็นวันพระ เป็นวันพระแรมเดือนสองดับเมื่อวานแต่วันนี้เป็นในฝ่ายธรรมยุทธหรือว่าทางวัดประวันกาหนดว่าวันนี้เป็นวันดับที่แท้จริงเพราะะฉนั้นพวกเราจะลงอุโบสถตอนเที่ยงวันนี้แหละพระองค์ลงอุโบสถลงพระปฏิโมกขนะ์นี่แหละคืออุโบสถที่ลงปฏิโมกขนะ์ ที่สวดสาธยายพระพินัยทั้งหมด200 227สิกขาบทคือความผิดของพระทั้งหมดในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องพระวิณายองค์ไหนทําผิดก็บัญญัติองค์ไหนบัญธรรมผิดก็บัญญั ต, อรรญญติอันนี้คือศินมาในพระปฏิโมกศ์สินนอกพระปฏิโมกขล่ะอีกมีอีกเป็นหลายพันหลายหมื่น เป็นหมืน่นเออไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีองค์ไหนเอไม่มีองค์ไหนที่จะนับว่าศีลอภิสมาจาร์นที่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะั้นยังไม่มีองค์ไหนยังไม่มีองค์ไหนที่จะไล่เรียงเรียงลําดับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินเอแต่ทั้งยังไงก็อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยพอจะรู้ได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกยังไง ในว่าศีนภิสมาจารย์นะสินอกพระปฏิโมกก็คือความผิดของพระสงฆ์ในครั้งนู้นพระพุทธเจ้าเมื่อทําผิดแล้วก็บัญญัติอย่างภิกษุไว้หนวดยาวเห็นไหมไว้ผมยาวภิกษุใดก็ตามไว้ผมยาวป ร, ปรบับอวบถูกกดไม่มีในในสในพระปฏิโมกนะอันนี้คือสินภิสมาจาร์ภิกษุใดก็ตามไว้หนวดยาว ปราบรบัตทุกกฎไม่มีในพระปฏิโมกไม่ได้สวดศีลเหล่านี้นะว่าเรียกว่าศีล น, นอกพระปฏิโมกขเรีย ว, ว่าศีลอภิธรรมารจารย์ตอนนี้ภิกษุณีท่นี่ในครั้งพุทธกาลเราก็พอถึงจะไม่มีภิกษุณีแต่พระวินัยของภิกษุณีศีลของภิกษุณีก็มีอีกตั้งสารสาร้อยกว่าสิกขาบทสรุปแล้วก็คือพระ ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็กระทำผิดไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าไม่มีไม่มีพระกระทำผิดก็คงไม่มีวินยัยอันนี้พ่อพระพระกระทำผิดยังมีวินยัยและเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วนะ่ะ <c oughs> มีไหมที่พระจะไม่กระทำผิดวินัยเหล่านั้นไม่มีใครรับรองได้ไม่มีใครรับประ ก, กันได้ ถึงจะ ท, ทํะทาบัญญัติแล้วกว็าตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วก็ตามพระที่มีไม่มีฮิลิโอตปะนะ เ, เป็นพระอารัชีนะอารัชิตาผู้ไม่มีความละอายต่อบาปก็ทําได้เพราะไม่มีความละอายนะต่อบาปต่อความชั่วเนะนี่ยแหละไม่ว่าในยุคนั้นสมัยนี้พระ กระทำความไม่ดีกระทำความผิดเพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนาศกชนให้ฟังเอาไว้มีใช่ว่าพุทธศาสนาเท่านั้นที่ทำความชั่วอย่างนั้นาศาสนาอื่นไม่ทำใช่ไหม เ, เพียงแต่เขาพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองมันมีทุกาศาสนามันมีทุกตัวคน เ, เพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นถ้ามันผิด เราก็ว่าตามผิดไปซะองค์ที่มันผิด เ, เราจะไปน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาทําไมจึงทําความชั่วช้าเสียหายแต่ตามไม่จริงหน้าตำหนิไหมก็น่าตำหนีิพอหน้าตำหนี้เสร็จแล้วให้ย้อนมาหาตัวเองบ้างหลวงพ่อบอกนะให้พวกเราย้อนมาหาตัวเองบ้าง ข้าพเจ้าคิดดีตลอดทั้งวันข้าพเจ้าทําดีตลอดข้าพเจ้าพูดดีตลอดเออไม่ไปในทางกิเลสเลยกิเลสราคะโทสะโมหะ <c oughs> ไม่ผิดอข้าพเจ้าทําดีตลอดพวกเรารับประกันได้ไหมในตัวของพวกเราเองในเมื่อพวกเรารับประกันในตัวของพวกเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอ่อพวกเราก็ควรจะ ปิดปากบ้างนะไม่ควรจะออ้าปากด่าไปทหน้าทางเดียวทีเดียวนะถ้าเรามีแต่อ้าปากนั้นพออ้าปากขึ้นมาเราคนอื่นก็เห็นเลือกไก่ของตัวเองเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะอให้ย้อนดูท่านดูท่านแล้วก็ดูเราดูสิ่งรอบด้าน ความเป็นมาและความเป็นไปเพราะเหตุไรมันมีเหตุอะไรจึงเป็นอย <criterion, S 2> <my> <igkeit> ่างนั้นมันมีเหตุทำไมแตก่อนมันต้องค่อยมีผลเพราะฉะนั้นเราจึงมองเหตุมองผลมองเหตุก็คืออะไรเหตุมันมีกิเลสมันคนที่มีกิเลสมันทําความชั่วในทุกอย่างนั่นแหละเพราะมันมีกิเลสถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็คงจะไม่ทํำเพราะท่านเป็นเหตุท่านหมดเหตุท่านเป็นพระอรหันต์ท่านคงไม่ทํา ถ้าเหตุมันยังมีกิเลสอยู่น่ยมันต้องทําล่ะเพราะฉะนั้นในใจของพวกเราท่านทั้งหลายนะถ้าหากว่าใจของเรายังมีกิเลสอยู่นั่นอีกสักวันหนึ่งนะ่ะให้พวกเราเระวังกันแล้วกันของใครของเราเออเพ้อเออาจจะมากกว่าเขาก็ได้อาจจะไปติดคุกติดตารางก็ได้ก็อะไรเออเพราะว่ากิเลสภายในใจของเรายังมีอยู่อาจจะเะผลอผลทําเผลอไพลทําความชั่วเสียหายเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆ เพราะอะไรเพราะกิเลสเหตุมันยังมีอยู่อาจจะผลมันออกจะตามมาอีกก็ได้นี่่อันนี้ก็เมื่อวานวันก่อนหลวงพ่อก็ได้ไปงานครบรอบ19ปีของหลวงปู่ล่าเนี่ยที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อพอหลวงพ่อไปวันที่ส8ปดเย็นเสร็จแล้วก็ได้ขึ้นไปภูจกอภูจกอ ร, รู ส, สูงนะปีนี้ก็นะ คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลาน่ะผู้จะก็สูงกว่าตะเก่าปีเนี่ยทำไมพอหลวงพ่ออินแก่ออายุหลวงพ่อเจ็ดสิบปีแล้วขึ้นเขาแล้วค่อยๆ ย, ย, ย่องขึ้นะเออพอขึ้นไปเรือมันจะหยุดหายใจมันจหยุดเอาได้ง่ายๆเพราะฉนั้นหลวงพ่อก็เลยค่อยปีนขึ้นเขาปีนึ่งถึงศาลาใหญ่ออพอเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพักจากช่วงระยะหนึ่ง พิธีกรรมพิธีการของเขาก็ะดกล่าวคำถวายคารวะหลวงปู่ล่ากล่าวคำสะดุดีที่เป็นพบาลีและก็แปลเป็นภาษาไทยให้กับพวกเราให้ได้ยินได้ฟังนี่แหละอันนี้ก็คือเราได้ไปขึ้นไปที่ภูเจาก้อ พอสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ ว, วนะสวดพระปริตะมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลในงานอย่านั้นเขาก็อาราธนาธรรมให้หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมตรงพ่อก็ก็ไม่ได้แสดงเป็นตุเป็นตะเพียงแต่ว่าเมื่อเขาอาราธนาธรรมแล้วก็ขึ้นสู่ธรรมมารแล้วก็กล่าวเรื่องราว ที่หลวงพ่อเคยอยู่ภูเจา็ออมาอย่างไงในสมัยหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงปู่ล่าหลวงพ่อก็จับมาพูดให้พวกคณะัต ย, ย, ยาธิยญาติโยมพวกน้องๆทั้งหลายได้ฟังแต่ละยกมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมสมัยหลวงปู่ล่าอดอยากท่านอยู่อย่างไงท่านมาอยู่ด้วยความอดอยากของท่านหลวงพ่ออยู่สมัยอดอยากอดจริงๆอดอยากจริงๆ แล้วก็ทุกยากจริงๆปีนป่ายภูเขาหาบน้ำหามน้ำคอน้ำขึ้นมาใช้แล้วก็อาศัยพี่น้องลูกหลานหาบน้ำขึ้นมาช่วยเป็นบางวันมาเก็บเอาไว้มาใช้ที่กันดารในสูงก็คือน้ำสมัยนั้นบินทบาทกระชั้นวันเพียงวันเดียวเรื่องปัจจัยสีอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง อยู่ในที่กันดานอันนี้หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังให้พระลูกพระหลานได้ฟังสมัยหลวงพ่ออยู่นะี่ยยุคนั้นมันเป็นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นการบริหารจัดการของหลวงปู่ท่านพูดอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องหลวงปู่ท่านแนะนําอย่า ง, งานั้นแต่หลวงปู่ในท่านเน้นเรื่องไม่ให้เล่นเบอร์นะลูกหลานนะถ้าว่าใครก็ตาม มาพูดเรียบเรียบเคียงเคียงมาขอเบอร์ออห่อหวยจากท่านนะหลวงพ่อพอปีพุทธลูปอยู่ในถ้อใครมาสามสี่คนแปลกแปล ก, แปลกเข้ามานะท่านรู้แล้วว่าในะพวกนี้มาเนะี่ยมันต้องมาขอหวยขอเบอร์อะไรทีนี่ท่านก็มาอะไระมามากราบมาไหว้กูบาอาจารนยะ์พ่อไม่เคยเห็นเคยไม่มาไม่ใช่หรอก มันต้องมีเลดในไม่มีอะไรครับหลว ง, ป, ลงปู่หลวงตาพอลงปู่ล่ามันตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยหน้าขึงขังอีกต่างหากนะอตัวลายอีกต่างหากมีแขนลายต่างหากถเหมือนกันนเกรลงเหนกันห <c oughs> <c oughs> ลวงปูล่ลานี่น่ากลัวเลยมาอะไรอ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกผมมาท่า น, นจริงๆนะครับหลวง คูบาาจารย์เอา้หาหันหน้าไปทางพระประธานเขาก็ไม่รู้ว่หาหันหน้าไปทางพระประธานหันไปทําไมฮะเขาก็หันหน้าไปทางพระพระประธานอา้ากราบพอกราบเสร็จแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานลเลยสิสาบานสาบด้วยกันน่ยข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ามาณสถานที่นี่มาณสถานที่นี่ มาเพื่อการไหว้เคารพสักการะบูชาเปร่าข้าพระเจ้าไม่ได้มาหวังบัตรหวังเบอรนะ์พอพูดคำนี้ท่านนั้นเงียบเก็บเลยไปเพรองเงียบห ล, ลวงปู่หลาแน่แหมมันพูดมันบังหน้าเนะี่ยมันโกหกเนะีนะ่ยในใจมันจะมาหาบัตรท้าเบอร์เนี่ยนะนะโอ้เทศยาวแลวท่านนี่นนะ แต่ท่านเทศก็เป็นห น, น้าฟังของท่านนะมีแต่สอนนะโดยมากผู้ที่ฟังได้แล้วก็คงจะเข็ดนะบางคนก็เข้าวัดเลยก็มีนะบางคนเข้าวัดก็หลีเพราะหลวงปู่สอนอแต่หลวงพหลวงปูนะ่ให้คาให้คำอะไรมาขอเลขเขก์หัวพระไม่ใช่ธรรมดานะไงพวกที่มาขอเลขในเคกหัวพระนี่แนหะ อันนี้หลวงพ่อก็เล่าเล่าเรื่องราวสมัยหลวงพ่อเป็นเน็ทน้อยเป็นเด็กอยู่กับองค์หลวงปู่ล่าให้คณะศรัทธาญาติโยมได้ฟังโอ้พูดยาวยาวเหมือนกันนะเอพูดเมื่อวานวันก่อนไม่มีน้โมไม่ได้ตั้งน้โมนะพ่อขึ้นไปแล้วก็พูดพูดพูดเล่าประวัติเล่าประวัติความเป็นมาหลวงปู่ล่าหมันขยันอย่างไรท่านเดินย่างกลม ทางดินยังกลมของท่านเนี่ยโอ้ท่านโพนสูงดินประมาณจักเกือบหนึ่งเมตรเออเวลาฝนตกมันสะล้างลงมาลงปูจะผสมขี้โคลนาทาลเอามือโล้ทางเดินยังกลมพุนะ่นลงทุนลงขนาดนั้นนะลงปูลาทําทางเดินยังกรมเนเ่ยพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นล่องเป็นรอยอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาขี้โคนผสมน้ําแล้วก็เทลงไปแล้วก็นลูล ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแลังจากนั้นมันแห้งนะก็ยังค่อยขึ้นเป็นเดินยังกลมฮนะนี่แหละหลวงปู่ท่านรักษาทางเดินยังกลมของท่านขนาดนะั้นนลูกหลานนะท่านรักคล้ายว่ า, ร, วารักวิชาอาชีพของท่านนะ่ะทางเดินยังกลมเนะ่ยคือหนทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนะ่ะท่านสงวนหวงแหนถึงขนาดนะั้นนลูกหลานนะสมัยก่อนนะอันนี้ถ้าพวกเราถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานก็คงจะไม่เออ เข้าใจใส่ใจแต่ท่านเอาอย่างนั้นจริงๆนะนี่ลหละอันนี้คือเราก็พูดเกี่ยวกับหลวงปู่ล่าในคืนนั้นตอนเช้าก็บินทบาทรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนในถิ่นนั้นโอ้โหล้นหลามมากจากนั้นหลวงพ่อก็มาวัดของคุณแม่ชีแก้วมานำมอบปัจจัยเกี่ยวกับข้าวหงอาหารอรกั สวัสจิตุปัจจัยให้พวกชีบ้างเพื่อเขาได้ใช้พบชีน่งอติเลกรลาบเขาน้อยเหมือนพระหลวงพ่อไปที่ใดหลวงพ่อก็อได้มอบจะตุปัจจัยนี่ไปก็ให้มอบให้คนลนิดคนละหน่อยเพื่อจะใช้ค่าจะบูไมยาสีฟันลักษณะอย่างนั้นมีความจำเป็นแล้วก็ขึ้นไปยืนไปยืน ทำความคารวะหลวงพ่อไม่ได้กราบหรอกคุณแม่พระวินยัยพระวินัยของพระเนี่ยนะพระวินัยของพระพุทธเจ้าภิกษุกราบภิกษุณีปรับอบัดภิกษุณีบวชถึงจะร้อยพรรษาก็ต้องกราบภิกษุที่บวชในวันนั้นท่านภิกษุณีไม่กราบพระที่บวชในวันนั้นปรับที่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ เบื้องแรกที่บัตรของพิษณุณีมีแปดปาราชิกพิกษณุณีแปดข้อนข้อหนึ่งนะอยู่ในนี้แหละคือให้เคารพพระนะเพราะนั้นเราเข้าไปถึงจะไปหาคุณแม่ก็จริงแต่เราล้ำลึกถึงพระคุณ ร, รืยว่าในความบริสุทธิ์ของท่านคุณแม่เนี่ยเหมือนกับท่านเป็นถ้าเป็นไข่นะ ถ้าเป็นไข่ไก่แต่ว่าไข่มันกระเทาะเป็นลูกออกมาแล้วกระเทาะเปลือกไข่ออกไปแล้วนไะข่แตกออกไปก่อนนะเป็นตัวแล้วนะคือพระหันแล้วนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายนี่มันอยู่ในไข่อยู่พนะ้นอยู่ในไข่อยู่ก็เออเอาแสดงความยินดีกับผู้ที่ท่านได้กระเทาะเปลือกออกไปแล้วเป็นพระหันแล้วอนุโมทนาสาธุ พวกเราท่านทั้งหลายก็ต้องการอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือเข้าไปแสดงความยินดีกับท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเจากนั้นก็มาวัดหลวงปู่จามเมื่อวานมาก็ไม่ได้พบเจ้าอาวาสท่า น, นมาก็มากราบพระเจดีย์กราบพระพุทธรูปกราบลูบเหมือนองค์หลวงปู่จาม เ, เพราะว่าท่านไม่ได้จัดงาน ไม่ได้จัดงานวันมครบวันมรณภาพสองปีปีนี้เป็นปีที่สองท่านไม่ได้จัดก็ไม่ว่ากันเพราะาท่านเป็นสมภารเจ้าอาวาสแต่หลวงพ่อก็ตําหนิงไกลๆเหมือนกันนะ เ, เพราะว่าหลวงปู่จามไม่ใช่ของสมภารองค์เดียวเป็นของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมร า, าตามประเพณีของ พุทธศาสนาแล้วก็เมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากไปเราอย่างน้อยก็รวบรวมศิษยานุศิษย์เข้ามาเป็นกลุ่มก้อนเพื่อแสดงความเคารพคารวะบูชาพระคุณของท่านในวัดของท่านอันนี้ก็คือเราถือเป็นประเพณีกันมาถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่เคารพสักการะภูมีอุปการะคุณ แต่เมื่อสมผานท่านไม่ได้จัดท่านประกาศไปแล้วใครจะเข้าไปก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเรามากราบที่วัดของเราก็ได้ใครจะกราบที่ไหนก็ได้เออกราบคารวะหลวงปู่จามเนอะที่หลวงปู่ท่านจากไปครบสองปีวันนี้แหละ ว, วันที่19เมกราทุกปีอันนี้ก็คือการแสดงความ เคารพเขาคข า, ขาระวะในครูบาอาจารย์อันนี้หลวงปูล่ลาท่านก็อวันท่านมรณภาพวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดมกราหลวงปู่จามมรณภาพวันที่สิบเก้ามกราเออกอคนละวันกันติดกันเลยนะ <c oughs> นี่แหละเมื่อวานในหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อก็กลับมาวัดนี่แหละ ถึงวัดก็ค่าเมือ่อมืดไปสักหน่อยมันเมื่อวานเลยแต่เมื่อวานเป็นวันพระหลวงพ่อก็ไม่ได้ขึ้นศาลาก็เห็นเห็นว่าเออเอาให้ลูกหลานไหว้พระสวดมนต์ซะหลงพ่อเหนื่อยเดินทางไกลหลวงพ่อเลยขึ้นไปพักผ่อนเมื่อวานแต่วันนี้เป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์นะนี่แหละอันนี้วันนี้ก็หลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะวันในช่วงนี้รู้สึกว่า ไม่รู้ว่าเขาไหนต่อเขาไหนมันปันป่วนยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งพระทั้งสงฆ์ทั้งอะไรต่อไม่อะไรแต่ทีงยังไงให้พวกเราให้มองย้อนมาหาพวกเราย้อนมาหาตัวเองพวกเราถ้าย้อนมาหาตัวเองจะมองเห็นคุณงามความดีเห็นความที่มันไม่ดีเห็นดีและเห็นไม่ดีอยู่ในใจที่มันไม่ดีเราก็จะกาจัดออกซะ กระจัดออกสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันดีเราก็พยายามทำให้มากขึ้นเจริญให้มากขึ้นทำคุณงามความดีให้มากขึ้นนั่นหละอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบัณฑิตนักปราชญ์ท่านสอนอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำสิ่งที่มันไม่ดีก็อ้าวด่าเขาหัวปักหัวปำจนไม่มามจนไม่มองตนเองอย่างนั้นก็ไม่ก็ไม่ถูก ในศาสนาคริสต์หลวงพ่อได้อ่านดูๆนะในบทหนึ่งของเขาพระเยซูเขาจับคนผู้หญิงได้บอกผู้หญิงทำคนนี้นอกใจทําความชั่วตามปกติเขาจะไปมัดใส่ต้นไม้แล้วก็ก้อนหินเขวียงใส่จนตายอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้อ่านดูๆนะ แต่เขาอาจจะแต่งตําราขึ้นมาอย่างไรหลวงพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ทีนี้พระเยซูก็บอกว่าเอา้าใครจะทําอย่างนั้นก็ทําได้พวกเราทุกคนเนี่ยที่จะเคลื่อใส่เขาเนี่ยให้มองตนเองซิงว่าข้าพเจ้าไม่เคยทําความผิดไม่เคยคิดผิดทําผิดพูดผิดเช่นก่อนผูกขาดล่าขาดบริสุทธิ์ยังค่อ ย, อยเวียงก้อนหินก้อนค้อนใส่เขา ถ้าว่าตัวเองยังมีความชั่วอยู่ไปทําให้คนอื่นเขาน่ยมันไม่ถูกนะพราะตัวเองจะทําความชั่วอยู่มองตัวเองซิพอทุกคนมองตนเองเท่านั้นแหละเออมันก็เห็นันสิใช่ไหมละ่ะเออไม่ใช่ว่าตัวเองจะดีทุกทุกอย่างตั้งแต่เกิดมาเนี่ยบางทีก็ไปด่าเขาร้องโหมร้องไห้เมื่อว่า ก, กี่ครั้งเหมือนกัน อ, อบางทีกนะ็เนี่ยทำความชั่วเสียหายทั้งทางความรับ ทั้งทางรับที่แจ้งอีกต่างหากมองดูแล้วเออข้าไปเจ้าก็ไม่บริสุทธิ์มือนกันวะเออบริสุทธิก็เลยไม่มีใครที่จะเวียงค้อนก้อนดินใส่ผู้หญิงคนนั้นนะอ่าจากนั้นไม่มีใครเอาปล่อยพ อ, อปล่อย เ, อออยเอออยท่านั้นละโอผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็คงจะยังไม่หยุดวิ่งอยู่มั้งเดี๋ยวนี้นพน้นหนีตายฮะ อ, อ, อันนี้หลวงป่อ หลวงพ่อได้อ่านแล้วเออเป็นแนวความคิดเองเหมือนกันนะเพราะนั้นดูสรุปแล้วก็คือให้ย้อนเข้ามาหาตัวเองมองตัวเองจึงจะเห็นความดีความชั่วถ้ามองแต่คนอื่นมันเพ่งแต่คนอื่นมันไม่ดีเพราะนั้นให้กลับมามองตัวเองแก้ไขปรับปรุงที่กายว่าจจใจของเราน่นาะเลิศประเสริฐถึงเขาจะทาความชั่วเขาก็ติดคุกติดตรางติดกรรม ไปตกนรกหมกไหมของเขาโลกในโลกหาได้คุณแม่ชีแก้วบอกว่าโลกในโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หาบาปหาบุญใส่ตนเองก็ได้หานรกสวรรค์ใส่ตนเองก็ได้หาคุกหาตารางใส่ตนเองก็ได้หาคุณงามความดีใส่ตนเองก็ได้อันไหนเราผู้มีปัญญาหาดูซิจะหาชั่วหรือหาดี พวกเราควรจะหาดีนะคณจะจัทตาญาติโยมลูกหลานนะหาคุณงามความดีเข้าสู่กายวาจาใจของนั้นนั่นแหละเลิศประเสริฐสิ่งที่มันชั่วจะหาเข้ามาใจตัวเองถ้าเขาหาของอาหามาตัวเอง น, ะนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังความชั่วนะอกตังลุกตังอย่างที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นเบื้องตนนะนะั <c oughs> ่นแหะออาต่อเนี้ไปรับพรโนโมธนาให้พร